แล้วก็มีเคยมีพระรูปหนึ่งอะนะบางทีเวลานั่งด้วยกันเนี่ยบางครั้งเบอกว่าได้ยินเสียงหัวใจมันเต้นอะใช้เล่นหัวใจแทนนี่ยนะมันก็จะดังเสียงกิ๊กกิ๊กกถ้าทุกคนเนี่ยหัวใจมันเต้นดังขนาดนั้นเนี่ยพอใจไหมอย่างงี้ซึ่งความปนปฏิกูลในนั้นก็มีแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยของจิตทั้งหลายเนี่ยนะตามอัตถาและดีกาท่านถือว่า มโนวิญญาณนี้อาศัยหาทะยะเนี่ยเกิดขึ้นเมื่ออาศัยหาทะยะเกิดขึ้นก็ผู้นั้นก็พิจารณาตัวหาทะยะหาทะยะมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีมหาภูตรูปทีนี้มหาภูตรูปเช่นสมมุตินะตัวหัวใจเนี่ยเป็นมหาภูตรูปไม่ใช่ตัวหัวกล้ามเนื้อหัวใจทั้งหมดนะบางส่วนทีนี้ถ้ารู้นั้นก็จะรู้มหาพูดอย่างอื่นๆเข้าไปอีกเพราะหัวใจเองก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ี่ นะเพราะมีทั้งปัทวีอยู่ในหัวใจมีทั้งอาโปมีทั้งเตโชมีทั้งวาโยอยู่ในหัวใจแล้วหัวใจมีสีด้วยนีนะมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาอยู่ด้วยนะตัวอหัวใจเนี่ยนะคือหัวใจไก่้ยเราก็กินว่ามันมีโอชากันนะแต่หัวใจคนยังมีคือถ้าสงครามเนี่ยอาจจะมีกินถ้าในสงครามเลยนะที่อีกฝ่ายหนึ่งจะแค้นอีกฝ่ายหนึ่งมากจะเฉาะเอาหัวใจเนี่ยมากินกัน พรด้วยอำนาจของความแค้นเนี่ยนะกินเะแรงทายบาทยังก็ถือว่าเป็นอาหารไปอีกมื้อหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็มีโอชาอยู่ด้วยมันก็ในนั้นก็ประกอบไปด้วยรูปแล้วก็มีภาวะทัศกะมีกายะทัศกะอย่างอื่นอีกก็มีรูปอย่างอื่นรูปเหล่านั้นเนี่ยนะถ้ากายะทัศกะก็เป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณถ้าหาทาหาทยาทัศกะก็เป็นที่อาศัยเกิดของมโนมโนธาตุและ มโนวิญญาณธาตุเนี่ยนะแล้วจิตที่อาศัยรูปเหล่านั้นเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะสําหรับผู้ที่มีสุตะเรียนเรื่องจิตหรือเพราะจิตสิบหกประเภทเนี่ยนะจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะถ้าเรียนรู้คําสอนเหล่านี้มาเป็นอย่างดีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยถ้านี่วอนไม่กลุ้มรุมแต่ว่าเบื้องต้นนี้ที่เอาเรื่องกายมาพิจารณาก่อนเพราะคนนี้ สุภาพวิปลาสมันกลุ่มรุมมากแต่ถ้าเป็นผู้ที่โทสะมากๆอ่ะนะพวกนี้ให้เจริญเมตตามากๆเพราะว่าจริงๆแล้วกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกราคะจริตเวทนานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับโทสะจริตเนี่ยนะเพราะว่าโทสะจริตเนะี่ยนะพวกนี้มันได้อารมณ์อะไรหน่อยก็จะขัดเครื่องถ้าเจริญเมตตามากๆเลยนะ พวกนี้ก็จะพิจารณาเวทนาพิจารณาอย่างอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นธรรมะนั้นตัวที่กําหนดเนี่ถามว่าเจริตของผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นเครื่องกําหนดอย่างพระสูตรหรือคําสอนที่มากเพราะอัธยาสายของสัตว์ทั้งหลายนี้กําหนดบริษัทยามี้ผลิตยาตามอะไรตามโรคใช่ไหมโรคมันเกิดก่อนจึงคิดหายาไม่ใช่ทํายาไว้ก่อนแล้วก็ไปทําคนไม่เป็นโรคมันไม่ใช่ คือรักษาไปตามโรคคำสอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นยาเหมือนกันเรียกว่าธรรมะโอสถเนี่ยนะรักษาโรคเพราะฉะนั้นก็แสดงตามโรคของของศัตว์ทั้งหลายที่เป็นนั้นๆเนี่ยนะก็คำสอนก็เลยมากแล้วก็การที่จะปรารบในส่วนไหนขึ้นก่อนก็รักษาไปตามอาการเพราะว่าธรรมะนี้ไพโรในเบื้องต้นคือฟังแล้วต้องถ้าว่าให้ตรงนะเป็นยังไงฟังแล้วเครียดเลย ไม่ใช่นะคนปีดาเขาชอบคําว่าเห็นแจ้งอาถรรพสมาทานราเริง ม, มากของนั้นคือจริงๆแล้ว่เบื้องต้นการฟังธรรมต้องเป็นอย่างนั้นนะสมัยพุทธกาลเนี่ยก่อนจะถึงไตรสารณคมเขาจะว่าอย่างนั้นกันทั้งนั้นเลยนะเห็นแจ้งแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนตาดีนะเพื่อให้คนตาดีมองเห็นรูปฉันใดพระธรรมเทศนาของพระองค์ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าการฟังธทำที่ถูกต้องต้องสงบนิวรณ์ได้เดี๋ยนะก็คือมีความสุขตั้งแต่ฟังแล้ถ้าถ้าปฏิบัติถูกนะถ้าเป็นคําสอนของพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องวัดอย่างหนึ่งอย่างที่สองเมื่อปฏิบัติถ้าเจริญไปมากๆตามนั้นจริงๆต้องได้ปีติและปรามโมทสมถะเนี่ยนะประทมมชฌานี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าเจริญถูกต้องได้ประทมมชฌานนะ ก็ประกอบด้วยวิตก ว, วิจารณ์ปีติสุขที่เกิดจากวิเวกอันนั้นก็เป็นความความสุขอย่างหนึ่งแม้เจริญวิปั ส, สนาเนี่ยนะในคาถาธรรมบทก็กล่าวว่าผู้ที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับของขันห้าเนี่ยนะพิจารณาเห็นความเกิดความดับของขันห้าซึ่งอัตถกถาก็อธิบายถึงเกิดด้วยอาการยี่สิบห้าดับด้วยอาการยี่สิบห้าอันผู้ที่พิจารณาเ ห, เห็นเหตุเกิดความดับของขันห้าเนี่ยนะ ผู้นั้นก็จะได้ปีติและปราโมทอันนั้นแหละเป็นอมตะของผู้เจริญวิปัสสนาก็จะได้มีความสุขแม้กระทั่งในขณะที่ปฏิบัติด้วยทั้งสมถะและวิปัสสนาทีนี้ผลของการปฏิบัติเนี่ยนะอรหัตผลเนี่ยเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมเพราะมีสุขคือนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ก็เป็นบรมสุขเป็นเอกันตสุขเป็นสุขโดยส่วนเดียวเนี่ยนะเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นคําสอนที่ถูกต้องต้องสุขทั้งเบื้องต้นสุขทั้งข้ามกลางสุขใน ที่สุดเนี่ยนะสุขในที่สุดทีนี้แต่ก็มีอยู่ปริมาณบางคนที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทานเนี่ยนะหรือเรียกว่าปฏิบัติทุกในปัจจุบันแล้วก็เป็นสุขในภายภาคหน้านะซึ่งก็มีบ้างนะในเถรีคาถาเนี่ยใครอ่านมาจะเห็นชัดเลยนะปฏิบัติมา25ปีไม่ได้ความสงบหน่อยเดียวเลยร้องไห้เลยนะร้องไห้ก็เลยไปฟังทำแล้วก็ได้ดีเพราะเนื่องนะใกล้ๆจะ ร้องให้จะหมดอะไรตาอยากตอนนั้นก็ได้บรรลุหรือแบบพระมหาศีวะใช่ไหมปฏิบัติมา30ปีด้วยร้องให้เลยไม่ได้บรรลุนี่นะเทวดาก็มาร้องให้มัง่งร้องให้ทําไมบอกอา้าวเพื่อจะได้บรรลุสักมักสองมักที่ร้องให้ไงก็เอามั่งอันนะท่านก็เลยสังเวชใจตอนนั้นก็พิจารณารู้แจง้งแทงตลอดอริยสัจได้เนี่ยนะแล้วก็เนะี่ย นะพวกเยอะนะที่พวกทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะแต่ทีนี้ก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าเอ๊ะช่องทางการตรัสรู้ธรรมเนี่ยสมมุติว่าถ้าโดยการศึกษาเนี่ยพิจารณาจนข้อมูลหรือการปฏิบัติความรู้ความเข้าใจเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจตั้งแต่บเบื้องแรกเลยนะการปฏิบัติเนี่ยนะอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระทั้งหลายที่ท่านไปสู่ที่จาริกเนี่ยท่านเรียนธรรมะตั้งแต่บเบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วนะท่านเรียนหมดแล้วว่าเบื้องต้นเป็นยังไงจนถึงอรหัตตมรรคเป็นยังไงเนี่ยนะอ่านเถอะธรรมบทไม่ต่ำกว่าสิบที่ะจะมีประโยคเหล่านี้เรียนธรรมะตั้งแต่บเบื้องต้นจนถึงอรหัตตมรรคแล้วท่านค่อยไปแต่ว่าในส่วนเอกเทศของท่านนะมันไม่ได้ไปเพราะท่านไม่ได้ไปเผยแ พ, พรพ่ว่าใจปดกไหมท่านก็รู้ในเอกเทศในส่วนของท่านว่าปฏิบัติเริ่มต้นแค่ไหนแล้วบรรลุอรหัตตมรรคที่ไหน ท่านรอบรู้เมื่อท่านรอบรู้ท่านก็ไปเจริญเนี่ยนะท่านก็ไปเจริญแล้วก็ตอนท้ายท่านก็ปฏิบตัติแล้วก็ตรัสรู้ทำกันหมดเนี่ยนะทีนี้เมือม่อผู้ศึกษามุ่งจะตรัสรู้ก็ต้องรู้ให้ละเอียดแบบนั้นแต่ถ้าเราํำน ว, นวนว่าสันโดษในกุศลเนี่ยนะซึ่งไม่มีในคำสอนคือสันโดษประชาตินี้ชาติหน้าฉันให้ไปสุคติพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาขอให้เกิดทัน เมื่อทันแล้วขอให้ได้ฟังธรรมะจากพระองค์แล้วรู้แจ้งตามเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ก็คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าอีกหลายล้านปีกว่าจะมาตรัสรู้เนี่ยนะก็คิดหนึ่งสเบียงทางเป็นต้นเนี่ยนะก็พิจารณาให้มันรอบคอบจะไปอยู่ที่ไหนจะไปเรียนอะไรจะไปมีทิฏฐิยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะเหมือนกับคนจะเดินทางไปเนี่ยนะสมมุติว่าใครจะไปต่างประเทศนี่เริ่มคิดแล้วยังให้เดินทางยังไงอยู่ยังไงไปกินยังไงไปหลับยังไงนอนยังไงอะไรยังไง ของเราเนี่ยเดินทางไกลกว่า น, นั้นอีกจะมีอะไรไกลเท่าวัตตะไม่มีอีกแล้วเรียกว่าอัธาอัธาอัธาเรียกว่าทางไกลนะการเจริญอินสี่ห้าสัตวาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อกําหนดรู้ทางไกลคําว่าทางไกลนี้เป็นชื่อของสังสารวัฏอะไรจะไกลกว่าขันอัตตนาธาติที่ไหลสืบเนื่องไปไม่มีอีกแล้วเพราะเบื้องต้นแห่งขันยัตตนาธาตินี้มันก่อตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏในเบื้องต้น แล้วเรารู้ไหมว่าภพที่แปดนี่จะหมดแล้วนะปฏิสนธิในภพที่แปดยังมเมื่อยังนี้ก็ขันห้าต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะนั้นเห็นสัตว์ทั้งหลายหรือเห็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่เราเรียกว่าเรารังเกียบในสิ่งนั้นก็ให้รู้เถอะว่าสภาพเช่นนี้เราก็ยังไม่พ้นเห็นคนพิการก็ทําใจไว้ได้เลยว่าถ้าฉันยังไม่แทงตลอดอริยสัตว์ไม่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าฉันจะเป็นเช่นนี้แหละ เนี่ยนะที่พูดอย่างนี้หมายถึงเมื่อกี้ไปกลับพระเจดีเดินกลับมามีคนที่การแขนอยู่ข้างเดินมาก่อนมาเก็บขยะเนี่ยนะก็ได้น้อมเออเนี่ยนะถ้าเราไม่ตรัสรู้เนี่ยถึงเราก็จะเป็นเช่นนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่ากรรมไหนมั่งที่เราไม่เคยทําในวัตฏะเนี่ยนะเฉพาะชาตินี้ก็หลายกระทง n นะแล้วของอดีตชาติอีกแล้วชาติหน้าต่อไปจะไปทํากรรมอะไรอีกเนี่ยนะสมมุติว่าถ้า เกิดมาชาติหน้านะพ่อจะส่งไปเรียนวิชาทำปานาติบาตหรือว่าจะสอนไปส่งเรียนวิชาที่เว้นจากปานาติบาตถ้า ม, ม, มีพ่อมีแม่พ่อแม่จะสอนส่งไปเรียนวิชาอะไรนังงน่นะก็แทบจะรู้ได้เลยนะส่งไปเรียนวิชาปานาติบาตเป็นหลักนะนะที่ส่งไปเรียนวิชาเว้นจ in ากปานาติบาตหายากอ่นะส่งไปเรียนวิชาที่เว้นจากอธินนาทานการเมสุมิฉาจารเป็นต้นก็หายาก มีแต่วิชาส่งเสริมอากุศลกรรมบทสิบเนี่ยนะเมื่อไอสิ่งเหล่านั้นส่งเสริมอากุศลกรรมบทสิบนี่ก็อบายนี่ก็คือนะต้นตระกูลพันด็อกพันอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยจะเป็นต้นตระกูลพันของเราทั้งหมดนะนะจะเป็นสายพันของเราข้างหน้าต่อไปสําหรับผู้ที่ยังไม่แทงตลอดอริยสัต์เพราะฉะนั้นความภาคเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนให้แจ่มแจ้ง น, นะเราก็คงไม่ไม่ทิ้งใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรใช่ไหมก็คงไม่ไ ม, ไม่ไม่ลืมวัตถุประสองค์อันนั้นที่เรามานับถือพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อะไรสองพระองค์ตรัสรู้แล้วเอามาสอนเราเนี่ยพระองค์สอนอะไรแก่เราเนี่ยนะสามสงทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติตามเนี่ยนะแล้วบรรลุท่านบรรลุอะไรกันเนี่ยนะอย่างนี้แหละคนที่เข้าใจเรียกว่าถึงไตราสารณาคมนะถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ ได้สัมณ โ, โครัวไปก่อนได้ชาวพุทธในสัมณ โ, โครัวเวลาก็นอเนเต็มที่แล้วนะครับเอ่ากินที่ฟัง <c oughs> พระภิกษุผู้อยู่ในส ม, มณเพศอันนี้ผมอยากจะฟังเพศคาวา ด, ดีกันว่าการเจริญไตรสิกขาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคารวะเนี่ยเอ่อโดยเฉพาะอืม โดยเฉพาะศิกขาแรกคือศีลสิกขานะครับหรือเอาแต่ศีลสิกขาและจิตสิกขาด้วยเนี่ยในฐานะฆราวาสเนี่ยเราเราจะมีลู่ทาอย่างไรบ้างที่เราจะปฏิบัติให้ได้ไปสิกขาอันนี้ให้เหมาะสมกับเพศของเราท่านเคยสอนเคยปฏิบัติดต้วยตนเองอย่างไรบ้างครับสําหรับศิกขาสามเนี่ยครับเป็นหลัก การประพฤติปฏิบัติในพระบุรุษศาสนาซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เข้าใจคาดเคลื่อนเหมือนกันนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่ลึกละเอียดจนทั้งไม่ต้องใส่ใจเรื่องของศีลมากนะครับคือความเข้าใจของตัวเองก็ไม่พอด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นก็พิจารณาแล้วก็ศึกษาในพระไตรปิฎกด้วยก็รู้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับพระบุตรเจ้าแสดงว่าเบื้องต้นของ การที่จะอบรมประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าถึงที่สุดได้เนี่ยจะต้องยังเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ถึงพร้อมก่อนเบื้องต้นของกุศลธรรมก็คือความเห็นที่ตรงนะครับแล้วก็ศีลอันดีถ้าเราไม่มีศีลที่ดีพร้อมกับความเห็นที่ถูกต้องคือกรรมสกตาญาณเนี่ยจะไม่มีพื้นฐานรองรับกุศลธรรมขั้นสูงต่อไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรักษาศีล น, นะครับ การที่จะอบรมเจริญสมถะภาวนานั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าถ้ากายวาจา ย, ยังไม่ดีการที่จะมีปีติพราโมโอหรือว่าจะทำให้จิตสงบจากอากุศลนั้นเป็นไปไม่ได้จึงจะต้องมีศีลหลักการรักษาศีลก็คือเห็นประโยชน์นะครับจากการที่มีความเข้าใจถูกต้องนั่นเองจากการเชื่อกรรมและก็ผลของกรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านแสดงนะครับว่าชีวิตของผู้ที่จะอบรมมัคคพรมจันทร์เนี่ยก็คือ เป็นไปด้วยศีลหรือว่าสมาธิหรือว่าปัญญาแล้วก็อบรมคนละขณะได้นะครับมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องสัมผัสมีการน้อมไปในการที่จะเป็นไปในศีลบ้างในสมาธิบ้างในปัญญาบ้างอย่างพยัญชนะที่เคยเข้าใจกันใช่ไหมครับว่าเห็นศักตะวะเห็นได้ยินสักระได้ยินหรือว่าทราบสักระะทราบหรือว่ารู้แจ้งศักตะวารู้แจ้งนะครับรู้สึกท่านไม่ค่อยชอบคานี้ใช่ครับ โดยศัพท์เนี่ยนะที่เททิทธมตังพระวิสติเนี่ยนะถ้าไอ้มัตตะตัวนั้นถ้าเราไปแปลโภชเนมตัญยุตามั่งอ่ะแปลว่าประสักว่าเหมือนกันนะอะไรจะเกิดขึ้นหรือมัตตัญยูเนี่ยนะเส้นโภชเนมมัตตัญยูก็ถ้าแปลเป็นไทยๆว่ากินศักแต่ว่ากินเนี่ยนะซึ่งก็อันนี้เสียหายแล้วใช่ไหมนั้นโภชเนมมัตัญยุตาก็ศัพท์เดียวกันว่ามัตตะ ทีนีเ้เมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นมตัตตะตัวนั้นซึ่งอัตถกาถาก็บอกให้แปลว่าประมาณแต่ก่อนที่จะใช้พยัญชนะนี้พระองค์ตรัสก่อนว่าเธอพื่ให้เธอทำศึกษาเาพิ่งทำศึกษาว่าเนี่ยนะให้ศึกษาก่อนนะศึกษาก็คือศิกขาศึกษาหมายถึงไตรศิกษาเมื่อศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นให้มีศิกษาสามเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็น ที่ใช้คาว่าเห็นอะไรเห็นจากขวิญญาณเห็นทํายังไงจะได้เอาจากขวิญญาณนี้เป็นประมาณเป็นประมาณในอะไรเป็นประมาณในความไม่มีราคาเป็นประมาณในความไม่มีโทสะเป็นประมาณไม่มีโมหะเ<ต>นี่ยจะได้ไม่มีราคาโทสะโมหะเมะืม่อเห็นซึ่งศีลศิขาเนี่ยเป็นตัวกำจัดโทสะจิตสิขาหรือสมาธิเนี่ยกจัดราคะปัญญาศิขานี้กาจัด โมหะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นก็ลืมตาเท่ากับตาแป๊บใสแบบเด็กๆเห็นเนี่ยสีเฉยๆเนี่ยไม่ใช่เพราะถามว่าถ้าเห็นแค่สีเฉยๆหมดกิเลสได้ยังไงแล้วรู้อริยสัจได้ยังไงเนี่ยนะก็รู้ไม่ได้แล้วถ้าหากว่าสีสักแต่ว่าสีแล้วมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไปทิ้งเอาไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้น การเห็นนะสมมติถ้าเป็นคาราวะทั่วๆไปเนี่ยถ้าฝึกเจริญเนี่ยง่ายมากเลยศีลมีห้าข้อหนึ่งของสามสี่ห้าจำได้ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับคนนี้จะผิดศีนอะไรได้บ้างอ่ะนะสมมติว่าขณะที่กําลังเกี่ยวข้องนะจะผิดศีนอะไรได้บ้างเพราะศีนมันไม่ได้ไปผิดวันข้างหน้าไหถ้ามันจะผิดมันก็ผิดตรงนี้ก่อนแนหะถ้าจะผิดนะทีนี้ต่อไปคนที่เราจะไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นนัด ก, กับใครไว้พรุ่งนี้เนี่ยนะจะผิดศีนได้ไหมล่ะ ก็คิดเรื่องศีลเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่ามีศีลนําหน้าไปเนี่ยนะมีศีล น, นำหน้าไปหาใครก็ก็ปราบรบเรื่องศีลไว้ก่อนชั้นจะผิดศีลไหมอันนี้เป็นสาธกะสัมพันญะเนี่ยนะเป็นอันดับแรกก่อนเพราะเพราะตัวเองเป็นผู้เจริญศีลใช่ไหมเมื่อตัวเองเป็นผู้เจริญศีลจะทําอะไรก็คิดถึงศีลเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาชาดกมากๆจะรู้เลยว่า พระโพธิสัตว์ท่านกลัวมากคือกลัวศีลท่านจะขาดเนี่ยนะท่านรักษาศีลขนาดนั้นทีนี้ถ้าผู้ที่อบรมเมตตามากๆเนี่ยเขาไปแล้วเขาจะขาดเมตตาไหมจะมีโทสะมากไหมอะไรไหมนั่นแหละคือการเริ่มเจริญเมตตาอันนั้นก็เป็นจิตตะศิขาซึ่งสามารถอบรมได้ะส่วนปัญญาศิกขาก็สุดแท้แต่ว่าสดับมาน้อยหรือมามากถ้าคนฟังมาน้อยนะเอาเนี่ยเอานกแขกเต้าเป็นอาจารย์ก็ได้ ท่องอะไรไม่ได้ก็กระดูกกระดูกกระดูกกระดูกก็ได้กระดูกเนี่ยนะคาบกระดูกจะไปกระดูกเรี่ยไรยที่ไหนเน no. าะเหมือนั้นกระดูกมาแล้วก็กระดูกไปกระดูกจะไปแตกกระจัดกระจายเรี่ยไรที่ไหนเ no. นาะงหมือนกัคิดให้มันได้เท่านี้ก่อนแนละ้วถามว่าถ้าคิดแบบนี้บอ่อยๆเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายคลาย ก, กำหนัดในวัฏฏะไหมเป็นแน่นอนสําคัญที่ว่าขอให้มีศรัทธาที่จะเจริญเถอะอัะนนะั้นหนึ่งมีศรัทธาว่าเราจเจริญได้อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองมีศรัทธาว่า คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเชื่อสองอย่างเนี่ยบรรลุแน่แต่ว่ารับประกันวันไม่ได้เห็นไหมเหมือนอะไรเหมือนว่าทุกคนเนี่ยรู้ไหมว่าตัวเองจะต้องตายรู้แต่รู้ไหมว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้นี้ก็เหมือนกันนะถ้ามีศรัทธาสองอย่างนั้นหนึ่งมีศรัทธาว่าฉันเจริญตามได้แน่นอนอะนะถึงจะปฏิบัติ ด, ด้วยทั้งน้ําตาฉันก็จะเจริญตามเพราะฉันมีศรัทธาที่จะเจริญสองคำสอนนี้ทําให้พ้นทุกข์ได้แน่ ถ้ามีศรัทธาสองอย่างเนี่ยนะมีศรัทธาในตัวตัวเองมั่นใจว่าปฏิบัติได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งว่าที่พระพุทธเจ้าสอนแตถาโคตโพธิศรัทธาเนี่ยนะมั่นคงดีเนี่ยอย่างไรเสียก็พ้นทุกข์เป็นแน่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วตรัดเรื่องทุกข์แต่ก็ไม่ได้ให้จมอยู่กับทุกข์เพราะฉะนั้นศิกขาเนี่ยนะอย่างอบรมสิกขาก็ถ้าจะอบรมอะไรให้รู้สิ่งนั้นก่อน อบรมศีลสิละศขานี่นะอย่างเช่นปกติโดยมากก็รักษาศีลห้ากันให้ระลึกถึงศีลห้ามากๆเมื่อเกี่ยวข้องกับอะไรก็ให้นึกถึงศีลห้าไว้ก่อนอาหารมื้อนี้นี่จะมีวายมีอะไรไหมก็คิดถึงไก่อน น, นะว่ามันจะผิดศีลข้อไหนได้บ้างถ้าจะพูดกับคนนี้เนี่ยมันจะเข้าองค์ข้อไหนบ้างแต่จะให้เพิ่มอีกก็เป็นกรรมบท10เนี่ยนะถ้าจะรักษาให้กว้างขวางไปอีกก็ระลึกถึงกุศลกรรมบด ท, ทั้ง10ประการทํายังไงที่จะไม่ให้ร่วงกรรมบท10 เพราะถ้าล่วงครบกรรมบทครบองค์นี่นําปฏิสนธิได้แล้วนะเก็บคะแนนอบายไว้1คะแนนล่วงหนึ่งครั้งนี่เก็บคะแนนไปสู่อบายไว้หนึ่ ง, งคะแนนเนี่ยนะก็คะแนนไหนจะพาไปก่อนก็สุดแท้แต่ว่ามรณาสันนะวิถีจะพาไปรับอารมณ์อะไรเนี่ยนะก็ไอการฝึกจิตอบรมจิตน้อมจิตให้เป็นไปกับไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าสอนนะั่นแหละเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยนะ ขอให้เรามีศรัท ธ, ธาที่จะฟังแล้วก็ทรงจําเอาไว้ไดออ้อันนี้หมายถึงว่าคนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธรรมะเรื่องขันธ์ท่า ย, ยตนาหรือเปล่าครับเพราะว่าสําหรับบางคนที่เขายังไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยเขาก็เห็นโทษของการล่วงศีลเพราะฉะนั้นขณะที่เขาไข้ครวญหรือว่าเขามีเจตนาในการที่จะศึกษาเรื่องของศีลวิรัศสศีลเนี่ยจะเป็นศีลรัศิกขาในพระพุทธศาสนาหรืครับก็ศีลอันนั้นเนี่ยโดยปกติแล้ว ตัวตรงๆเนี่ยจะเป็นธรรมะที่ทําให้ปิดอบายเนยนะโดยอนิสงส์ทีนี้ผู้ที่อบรมตามศีลที่เป็นมัชชิมาปฏิปทานเนี่ยก็คือศีลที่ธรรมะที่บอกเลยว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละคือเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเนี่ยนะอันอาศัยวิเวกวิเวกห้าอันนะอาศัย วิราคาห้าอาศัยนิโรธห้า 5, น้อมไปเพื่อการสละเพราะฉะนั้นกุศลศีลที่เราเจริญเนี่ยนะตั้งว่าสัมมาวาจาอันนี้จงเป็นอุปนิสัยให้สัมมาวาจาที่เกิดร่วมกับอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นคือตั้งอัธยาศัยเอาไว้ก่อนเนี่ยนะให้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันเนี้ยเป็นอุปนิสัยแห่งอริยมรรคอันนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าถ้า สัมมาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะไม่สร้างอุปนิสัยเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยากที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในขณะโลกุตระจะเกิดได้เพราะฉะนั้นก็ตั้งอันตั้งอัธยาศัยอันนี้ไว้ก่อนเนี่ยนะท่านหมายถึงว่าจะต้องมีปัญญาแล้วก็รู้เป้าหมายในการรักษาศีลหรอครับอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นคาสอนเนี่ยนะอย่างที่กล่าว ตั้งแต่รแรกว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร น, นะสองพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วภาษาวกทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติแล้วท่านพ้นทุกข์ได้อย่างไรอันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนตั้งแต่แรกที น, นี้ที่เราจะมาเจริญเนี่ยเราอยากเป็นเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะก็ยิ้มว่าจะเป็นเช่นนั้นบ้างเพราะฉะนั้นตัวที่เช่นนั้นคืออริยมรรคใช่ไหมที่ที่ตัวที่จะทําให้พ้นทุกข์คืออริยมรรคอริยมรรคอาศัยอะไรเป็นอุปนิสัยก็มาดูฐานล่าง ที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่อริยมรรคเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเข้าใจนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมอาจารย์มัณสุตมะยะยานยนี่นะถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์กล่าวแรกๆเลยก็นึกถึงว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี่นะในโลกเนี้น่ากลัวที่สุดสิ่งที่น่ากลัวในโลกนี้ถ้าเป็นวิสัยของพวกที่เป็นถ้าจะเป็นได้คือสาวกเนี่ย ที่น่ากลัวที่สุดเขาคือไม่ได้ฟังถึงจะมีปัญญาระดับพระสารีบุตรก็ตามถ้าไม่ได้ฟังมาก่อนก็หมดสิทธิ์เพราะการที่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนเนี่ยก็นับว่าเป็นธรรมทานนะที่พระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญว่าสัพพะทานนางธรรมทานังชินาตินั้นก็ในของเราหลายๆท่านก็ขออนุโมทนาด้วยนะดูว่าขวนขวายในการให้ทําเป็นทานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ธรรมทานนั่นแหละ ให้รู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลรู้ธรรมะมีโทษรู้ธรรมะไม่มีโทษเนี่ยนะเพราะในความรู้อันนี้ถึงเป็นจึงเป็นเบื้องต้นนั้นการแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์บำเพ็ญปัญญาบารมีก็จะเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นหลักก่อนอันดับแรกใช่ไหมเข้าไปใดถามสัมมาณพราหมณ์ทั้งหลายว่าอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรเป็นกรรมดำํากรรมขาวกรรมมีให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยท่านจะต้องเข้าไปไต่ถามจนรอบรู้อันนี้ถือว่าเป็นความรู้ชั้นชั้นสามหมันชั้นพื้นฐานเรียกว่าสุตมยญาณเพราะฉะนั้นอย่างผู้ที่ที่แสดงเนี่ยนะผู้ที่อธิบายพระธรรมก็เป็นอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ชี้แจงในส่วนเหล่านี้เนี่ยนะสำหรับเขายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะก็ทํายังไงเราจะชี้แจงให้เขาเข้าใจ ถ้าเราชี้แจงไม่เข้าใจก็ไปชวนคนอื่นมาชี้แจงให้เข้าใจแทนเราก็ได้เพราะบางคนพูดเองไม่ได้ก็ไปชวนให้คนอื่นมาพูดแทนเดี๋ยนะเรียกว่าหาจนเรียกว่าหาจนได้เหมาะนะถ้าพูดเองไม่ได้สอนเองไม่ได้ก็เอาแบบพ่อของสิยงคารกะมานบเนี่ยนะบอกว่าเอาไว้เป็นคําสั่งก่อนตายก็ยังดีเนี่ยนะก็ก็เพราะว่าอาศัยกรุณาที่มีต่อคนอื่นเนี่ยนะก็คงสมควรกับเวลาแล้วนะค